Book 2 89ปดสิบเก้าทีนั่นตีนั่นต์นนตประโยคคำสั่งหนึ่งอุรดอรอดเลน่อุอรอรดอรอรคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลยยคัชตอสัชที่เยเต อ, อม بل, มสซคชมคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกที่เมอเฟลจั คัชจัตคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกที่งคอยคัคคุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิี่มิสคัชเ mos q e ช h m ม z ่อคัชต์เล่ t ทีเชชเมื่อคัชต์เล่าต์มั่วเ e ชเมื่ ë ค a ชต์เล่าต์คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบาหนักสิทีเฟ ë ทเมื่อคั l ต t m ู้เลต t ั่ว ë ฟลทเมื่อคัชต์อู้เลตทีเฟลท t เมื่อไช่เทวดคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิที่พิชุมมอสปีไชชุมที่พิชุมมอสปีไชชุมคุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลยที่พิชุมตัวหัน มสีคยชุมทีิชุมฮันมสปีคยชุมคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปที่นชุมมสนคชุมทีพูนชุมมส์พูนเคชุมคุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย ที่อดัตตั k a ค s สปอยด์โมซูดัตต์เคยสปอยด์ที่อดัตตันเคยสปอยด o โมซูดัตลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์อังกฤษของนิสอติมิลเลอ i ์อังกฤษของนิสอเชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์อูรุนิสอตู นั่งต่อคะ่ะคุณมิเลอร์ริมอลูซมเลอร์ริอลูซมเลอร์ใจเย็นๆ น, นะคะคินิดูริมคินิดูริมมีเวลาไม่ต้องรีบเมนิโคชดูเอรนิโคห์ช่วยดูใ้ รอสักครู่นะคะ p l e s Please, new moment p n <new> moment ระวังนะคะ Kinikuides k i n i u i e s กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ y n e to perfect n to p e r c t อย่าโ ง, ง่ Мош утргони Будала.